ออสัมนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติกับพระอรหันต์อุปตโตภาคาวิมุตต์ในมหานิทานสูตรที่คณิกายมหาวั์พระพุทธเจ้าทรงแสดงทมเรื่องวิญญาณทิติเจ็และอานยตนะสองให้ท่านพระอนุนฟังวิญญาณทิติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณมีเจได้แก่หนึ่ง สัตว์ที่กายต่างกันมีสัญญาต่างกัน 2. องสัตว์ที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันสามสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันสีสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันวิญญาณทิติที่5ถึง7ได้แก่อรูปภพสาข้อแรกมีอากาสารัญจายตนะเป็นต้นส่วนเรื่องอายตนะสอง อายตนะหมายถึงแดนมีสองคืออสัญญีสัตตายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะบางทีรวมวิญญาณทิติเจและอายะตนะสองเข้าด้วยกันเรียกว่าสัตตะวาด9ที่กล่าวถึงวิญญาณทิฏฐิเและอายะตนะสองอย่างนี้เป็นเพียงวิธียักเยื้องเทศนาอย่างหนึ่งเท่านั้นจะใช้ขันห้าแทนที่ลงไปก็ได้เพราะครอบคลุมเนือความทั้งหมด สำหรับในพระสูตรนี้เมื่อทรงแสดงธรรมเรื่องวิญ ญ, ญาณทิติเจ็และอาญตนะสองอย่างนี้แล้วก็ตรัสว่าอานนท์เมื่อใดภิกษุรู้ซึ่งสมุทัยความอัศดงอัสาะอาทีนบและนิสรณะคือรู้ซึ่งเหตุเกิดความดับส่วนดีส่วนเสียและทางออกแห่งวิญ ญ, ญาณทิติเจ็และอาญตนะสองเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตตจากนั้นก็ตรัสแสดงวิโมกมี8อย่างซึ่งว่าโดยสาระสำคัญวิโมก8ก็คือการแสดงสมาบัติทั้งหลายจนครบถึงสัญญาเวทียตานิโรธหรือครบถึงนิโรธสมาบัตินั่นเองเมื่อแสดงวิโมก8แล้วจึงตรัสต่อไปว่าอานน์เมื่อใดภิกษุเข้าวิโมก8ดเหล่านี้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 อันหาอาสะวะไม่ได้พิสูจนนี้เรียกว่าเป็นอุปโตภาาวิมุต